วิธีแก้ปัญหาแบบพุทธบางครั้งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาทุกอย่างแม้แต่ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ภายในจิตใจเท่านั้นซึ่งน่าจะไม่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เพียงพอหรือได้ผลแท้จริงสำหรับข้อสังเกตนี้ควรทำความเข้าใจแยกเป็นสองส่วน คือว่าโดยหลักการอย่างหนึ่งว่าโดยแง่เน้นของคําสอนหรือแง่ที่มีเนื้อหาคําสอนมากกว่าเด่นกว่าอย่างหนึ่งว่าโดยหลักการวิธีการแก้ปัญหาแบบพุทธมีลักษณะ ส, สำคัญสองอย่างคือเป็นการแก้ปัญหาที่เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์โดยฝีมือของมนุษย์เองอย่างหนึ่งหรืออาจพูดรวมว่า เป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เองที่ตรงตัวเหตุปัจจัยที่ว่าแก้ตรงเหตุปัจจัยก็ว่าเป็นกลางๆไม่จำกัดเฉพาะข้างนอกหรือข้างในและที่ว่าแก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เองก็จะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้มนุษย์มองปัญหาของตนที่ตัวมนุษย์เองไม่ใช่มองหาเหตุและมองหาทางแก้ไปที่บนฟ้า หรือซัดทอดโชคชะตาและให้แก้ไขด้วยการลงมือทมด้วยความเพียรพยายามตามเหตุผลไม่ใช่หวังพึ่งการอ้อนวอนหรือนอนคอยโชคเป็นต้นดังได้กล่าวแล้วว่าโดยแง่เน้นของคำสอนหรือส่วนที่มีเนื้อหาคำสอนมากกว่าเด่นกว่าควรจะย้ำไว้ก่อนว่าพระพุทธศาสนา สอนให้แก้ปัญหาทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางสังคมและทางจิตใจของบุคคลคือมีคําสอนขั้นศีลเป็นด้านนอกกับขั้นจิตและปัญญาเป็นด้านในจากนี้จึงมาทําความเข้าใจกันต่อไปว่าเมื่อกล่าวตามแง่เน้นของคําสอนเท่าที่มีอยู่เนื้อหาคําสอนที่บันทึกอยู่ในคัมภีร์ส่วนที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาด้านในหรือด้านจิตตปัญญา มีมากกว่าส่วนที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาด้านนอกหรือปัญหาทางสังคมเป็นต้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเนื้อหาคำสอนเน้นด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทางสังคมหรือด้านภายนอกอย่างอื่นที่เป็นเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาโดยเหตุผลและควรจะเป็นเช่นนั้นขอแสดงเหตุผลบางอย่างเช่น โดยความคงตัวแห่งธรรมชาติของมนุษย์ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตด้านในหรือปัญหาทางจิตใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ล้ว น, วนมากที่สุดคือมนุษย์ทุกถิ่นฐานกาลและสมัยมีธรรมชาติของปัญหาทางจิตใจเหมือ น, อนกันถึงจะต่างสังคมหรือสังคมจะต่างยุคสมัยธรรมชาติทางจิตปัญญาของมนุษย์ก็ยังคงเป็นอย่างเดิมคือมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ ที่มีโลภโกรธหลงรักสุขเกลียดทุกข์เป็นต้นอยู่อย่างเดียวกันส่วนปัญหาด้านนอกเกี่ยวกับสังคมมีส่วนหนึ่งเกี่ยวด้วยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อยังเป็นมนุษย์ก็จะมีลักษณะปัญหาเช่นนั้นแต่ส่วนอื่นๆ น, นอกจากนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยอย่างอื่นๆในสภาพแวดล้อมซึ่งแตกต่างกันไปในส่วนรายละเอียดได้อย่างมากมายตามกาละและเทสะ โดยอาศัยความเป็นจริงเช่นนี้จึงเป็นธรรมดาอยู่เองและเป็นอย่างที่ควรจะเป็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภายในทางจิตปัญญาเป็นหลักและมีคำสอนด้านนี้มากมายส่วนการแก้ปัญหาภายนอกด้านคำสอนระดับศีลทรงสอนแต่หลักกลางๆที่เนื่องด้วยธรรมชาติของมนุษย์เช่นการไม่ควรทาร้ายเบียดเบียนกัน ทั้งทางชีวิตร่างกายทรัพย์สินสิ่งหวงแหนด้วยกายหรือด้วยวาจาและการช่วเหลือเกื้อกูลกันเป็นต้นส่วนรายละเอียดนอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องแตกต่างกันไปตามปัจจัยอื่นๆในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของต่างถิ่นต่างยุคสมัยเป็นเรื่องของมนุษย์ที่รู้หลักการทั่วไปของการแก้ปัญหาแล้วจะพึงวางหลักเกณฑ์วิธีการจัด ก, การแก้ไข ตามเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องนั้ น, น, นไม่ใช่เรื่องที่จะไปวางบทบัญญัติไว้ให้มนุษย์เป็นการตายตัวว่าที่จริงในทางปฏิบัติก็มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงวางระบบการแก้ปัญหาของมนุษย์ในด้านภายนอกคือในทางสังคมไว้คือสังคมสงฆ์หรือภิกษุสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งขึ้นเองพระองค์ได้ทรงบัญญัติวินัย ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาจากภายนอกในแง่สังคมไว้เป็นอันมากให้เหมาะกับความมุ่งหมายจำเพาะของการมีสังคมสงนั้นและให้เหมาะกับการดำรงอยู่ด้วยดีของสังคมสงทั้งกลางสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและยุคสมัยนั้นผู้ศึกษาพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันมักมองข้าววินัยไปถ้าเข้าใจสาระของวินัยแล้วจะมองเห็นแนวคิด ของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภายนอกในระดับสังคมได้ขอย้ําว่าถ้าไม่ศึกษาพระวินัยปิฎกเฉพาะอย่างยิ่งส่วนนอกปาฏิโมกจะไม่อาจเข้าใจแนวคิดทางสังคมของพระพุทธศาสนาได้เลยเป็นการไม่สมเหตุผลที่จะให้พระพุทธเจ้าทรงวางระบบที่มีรายละเอียดไว้พร้อมให้แก่ชุมชนอื่น โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวแปรของต่างถิ่นต่างสมัยนั้นๆผู้ที่เข้าใจสาระสำคัญของหลักการนี้แล้วยอม จ, จัดวางระบบสำหรับจัดการกับปัญหาและเรื่องราวในสังคมแห่งยุคสมัยของตนได้เองอย่างเช่นพระเจ้าอาโศกมหาราชเมื่อจะทรงสถาปนาธรรมวิชัยในราชอาณาจักรคาสอนของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับปัญหาด้านในของจิตปัญญา พระองค์ก็ยอมไม่ต้องส่งแต่ต้องอีกเพียงแต่ส่งเสริมให้เผยพระรคำสอนที่แท้จริงด้วยวิธีและทํานองที่สอดคล้องกับกาลสมัยแต่ส่วนเรื่องภายนอกด้านสังคมพระองค์นำแต่คำสอนที่เป็นกลางๆมาตั้งเป็นหลักและส่งจัดวางระบบแบบแผนวิธีปกครองและดำเนินกิจการต่างๆขึ้นใหม่ให้ได้ผลสาหรับยุคสมัยนั้น อย่างง่ายๆดูในประเทศไทยตามคติยาราชประเพณีทางการปกครองนำเอาคำสอนทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับหน้าที่และคุณธรรมของพระมหากษัตริย์ส่วนที่เป็นกลางๆคือทศพิต ร, ราชธรรมสิบจักรวรรดิวัด1ิสองราชสังหาวัตถุสี่และกำลังของพระมหากษัตริย์หมาวางเป็นหลักและแปลความหมายให้เข้ากับยุคสมัย ส่วนระบบบริหารราชการเป็นต้นก็จัดวางขึ้นให้เหมาะสมกับทินและยุคสมัยนั้นดังนี้เป็นต้นเหตุผลข้อที่2โดยความเป็นเอกหรือความชำนาญพิเศษการแก้ปัญหาจากภายนอกหรือทางด้านสังคมนั้น นอกจากขึ้นต่อปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของถิ่นและยุคสมัยแล้วยังมีศิลปะวิทยาการและระบบการอื่นๆเอาใจใส่เป็นเจ้าของเรื่องกันอยู่อีกมากมายในทางตรงข้ามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตด้านในทางจิตปัญญาของมนุษย์กลับได้รับความเอาใจใส่จากศิลปวิทยาทั้งหลายอย่างที่นับได้ว่าน้อยยิ่งและเป็นแดนที่วิทยาการทั้งหลาย เขาไม่ค่อยถึงพระพุทธศาสนานถือปัญหาระดับนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ควรเอาอใจใส่มากอยู่แล้วยิ่งถูกวงการอื่นทอดทิ้งก็ยิ่งควรเอาอใจใส่มากและเป็นด้านที่พุทธศาสนานเข้าถึงเป็นพิเศษด้วยเหตุผลข้อที่สโดยความลึกซึ้งยาก และเป็นแก่นแท้ของชีวิตปัญหาทางจิตปัญญาเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนเข้าใจยากกว่าปัญหาภายนอกทั้งหลายเป็นอันมากถ้าเรื่องราวภายนอกใช้เวลาอธิบายหรือชี้แจงสักหนึ่งชั่วโมงเรื่องทางจิตปัญญาบางทีอาจต้องใช้เวลาอธิบายสักสิบชั่วโมงและต้องเน้นต้องย้ำกันอยู่เรื่อยการมีคาสอนด้านนี้ ในอัตราที่สูงกว่าคำสอนเกี่ยวกับปัญหาภายนอกจึงเป็นเรื่องธรรมดาอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงถือว่าประโยชน์ทางจิตปัญญานี้เป็นแก่นสาเนื้อแท้ของชีวิตมนุษย์เมื่อเกิดมามีชีวิตแล้วก็ควรพยายามให้ได้ให้ถึงไม่ให้สูญสิ้นชีวิตไปเปล่าและคนก็ไม่ใครมองเห็นเมื่อเช่นนี้ก็จึงเป็นธรรมดา ที่จะต้องทรงเน้นย้ำประโยชน์ทางจิตปัญญานี้มากส่วนประโยชน์ด้านภายนอกคนทั้งหลายเขาใฝ่ปรารถนากันอยู่แล้วถึงไม่ไปย้ำอีกก็พอแก่การอยู่แล้วเหตุผลข้อ <heit> ที่สโดยความเนื่องกันแห่งทุกด้านของชีวิต ความจริงปัญหาของมนุษย์ไม่ว่าด้านนอกหรือด้านในก็กระเทือนถึงกันทั้งหมดและในการแก้ปัญหาแต่ละอย่างไม่ว่านอกว่าในาชีวิตทุกด้านของมนุษย์ก็ต้องเข้าเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้นยิ่งมาคำนึงว่าชีวิตด้านในของมนุษย์เป็นหลักยืนตัวและเป็นพื้นฐานอยู่ในส่วนลึกมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาภายนอกอย่างมากเช่นเมื่อจิตใจลุ่มหลงมัวเมา ก็อมองปัญหาไม่ตรงตามเป็นจริงเมื่อกระแสความคิดและปัญญาถูกอิทธิพลของอวิชชาตันหาครอบงำหรือถูกตันหามานะทิฐิบิดเบือนชักให้เอ็งเอียงก็ไม่อาจพิจารณาปัญหายังถูกต้องนอกจากแก้ผิดพลาดบางทีอาจขยายปัญหาหรือซ้าเติมเพิ่มปัญหาใหม่ขึ้นอีกก็ได้ดังนั้นการชำระจิต และการทำปัญญาให้บริสุทธิ์ไม่บิดเบือนไม่เอียนเยียงจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในทุกถิ่นทุกสมัยถ้ามนุษย์แก้ปัญหาไม่ถึงระดับจิตปัญญานี้ก็ไม่มีทางจะแก้ปัญหาแม้แต่ระดับสังคมหรือภายนอกให้ได้ผลแท้จริงได้ถ้าแก้ปัญหาพื้นฐานระดับจิตปัญญานี้ได้ การแก้ปัญหาภายนอกก็จะง่ายขึ้นอย่างมากมายมนุษย์จะมีความพร้อมในการแก้ปัญหาขึ้นอีกมากพุทธศาสนาเน้นการแก้ปัญหาถึงขั้นพื้นฐานคือถึงระดับแห่งจิตปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วเหตุผลข้อที่ห้าโดยความต่างกัน แห่งระดับการดำเนินชีวิตพระพุทธศาสนาถือว่าสังคมประกอบด้วยมนุษย์ที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาในระดับต่างๆกันนอกจากนั้นยังมีสังคมย่อยหรือชุมชนต่างๆซ้อนอยู่ภายในซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครใจเข้าไปดำรงชีวิตในระดับที่แตกต่างกันเช่นมีสังคมข้ารือหัดกับสังคมสงเป็นต้น ลองมองแค่นี้เป็นตัวอย่างก็เห็นง่ายๆแล้วถึงความแตกต่างกันที่ว่านั้นดังปรากฏอยู่ว่าชีวิตในสังคมขเรืหัเน้นด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการงานหาเลี้ยงชีพส่วนชีวิตในสังคมสงเน้นด้านจิตปัญญาเมื่อมองดูสังคมสงแม้ว่าจะมีวินัยที่ใช้วิธีแก้ปัญหาจากแง่ของสังคม แต่โดยเปรียบเทียบก็ยังเน้นด้านจิตปัญญาข้างในมากกว่าและเน้นด้านนอกน้อยกว่าสังคมเขาฤหัตโดยในยะนี้ถ้าใครจะดูคำสอนสำหรับภิกษุแล้ว เ, เป็นมาตรฐานวัดว่าพุทธศาสนาสอนให้คนทั่วไปใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างนั้นย่อมไม่เป็นการถูกต้อง เหตุผลข้อที่หโดยธรรมดาของธรรมชาติแห่งสัพพสัตข้อนี้ขอทวนย้ำรวมไว้ด้วยพุทธศาสนามองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ขึ้นต่อการฝึกหัดพัฒนาและเป็นธรรมดาของธรรมชาติที่ว่าในเวลาเดียวกันของขณะหนึ่งขณะใดก็ตามมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากันทั้งทางกายทางสังคม ทางจิตใจและทางปัญญาเขาจึงมีความต้องการของชีวิตที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันทั้งทางวัตถุและทางนามธรรมรวมทั้งความต้องการด้านความสุขจะต้องยอมรับความจริงแห่งความแตกต่างของมนุษย์ดังที่ว่านี้และยอมรับสังคมและโลกอันมีมนุษย์ที่ต่างกันในระดับของการพัฒนานี้การคืนคิดทําให้โลกหรือสังคมมีมวลมนุษย์ ที่ต้องอยู่ต้องเป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่ความถูกต้องไม่ดีแก่ใครๆและไม่อาจเป็นไปได้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจะต้องจัดการทั้งทางวัตถุทางสังคมและทางจิตปัญญาให้เหมาะกันและเกื้อกูลที่จะสนองความต้องการเท่าที่ชอบทำแก่คนทั้งหลายที่ต่างระดับการพัฒนากันนั้นๆอย่างทั่วถึง ที่จะให้มนุษย์ที่ต่างระดับการพัฒนาเหล่านั้นต่างก็เป็นสุขและอยู่ร่วมกันพาสุขแต่พร้อมกันนั้นซึ่งเว้นไม่ได้คือการสนองความต้องการเสมอภาคมวลรวมของมนุษยชาติอันได้แก่ความต้องการของชีวิตตามธรรมดาแห่งธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกหัดพัฒนาคือจะต้องจัดการระบบชีวิตและสังคมตลอดถึงทั้งโลก ให้เ อ, อื้อให้หนุนให้ขับดันต่อการพัฒนาตนของมนุษย์ทุกคนเหล่านั้นเพื่อให้เขามีโอกาสลุถึงจุดหมายสูงสุดของการพัฒนาชีวิตจนแม้กระทั่งจะมีจิตปัญญาที่สมบูรณ์ถ้าครบตลอดมาถึงตรงนี้ก็คือสอดคล้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาในที่สุด หันกลับไปย้มอีกครั้งหนึ่งว่าพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เองที่ตรงตัวเหตุปัจจัยและพูดเช่นนี้อย่างเป็นกลางๆไม่ได้จำกัดจำเพาะว่าจะแก้แต่ข้างในหรือแก้แต่ข้างนอกคือแล้วแต่เหตุปัจจัยควรจะย้อนกลับออกไปด้วยซ้ำว่าศิลปะวิทยาและระบบการทั้งหลายเท่าที่มีอยู่นี้ตงหาก ที่มักมุ่งแต่จะแก้ปัญหาที่ข้างนอกอย่างเดียวด้านเดียวมองข้ามการแก้ปัญหาด้านในไปอย่างแทบจะสิ้นเชิงอันนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่สมบูรณ์อาจพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการแก้ปัญหาตามหลักพุทธศาสนานั้นไม่ใช่แก้ที่ข้างนอกหรือแก้ที่ข้างในอย่างเดียวแต่ให้แก้ตั้งแต่ข้างในออกมาทีเดียวหมายความว่า มีใช่จะแก้แต่ข้างในอย่างเดียวต้องแก้ข้างนอกด้วยและมีใช่จะแก้แต่ข้างนอกอย่างเดียวแต่แก้ข้างในด้วยคือแก้หมดแก้ที่เหตุปัจจัยไม่ว่าข้างนอกหรือข้างใน